ท่านพิสุสมัมเณีทั้งหลายและบรรดาญาโยมพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้ก็มาฟังเรื่องบา ร, รมีกันต่อไปก็คงเป็นศีลและบา ร, รมีวันก่อนพูดมาได้หน่อยเดียวเวลาหมดเฉพาะเรื่องศีลมัวไปเล่าเรื่องของท่านที่มาเพลินไปแต่ความจริงการปฏิบัติศีลนี่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย ถ้าเรามีทานบา ร, รมีดีแล้วท <c oughs> านนบา ร, รมีก็เป็นปัจจัยยงให้สิ่งเกิดทั้งนี้ พ, อพ่อะไรเพระว่าคนที่จะให้ทานได้นั้นก็ได้บอกไว้แล้วว่าต้องมีพรหมีหารสีความจริงพรหมีหารสีนี่เลี้ยงทั้งศีลเลี้ยงทั้งสมาธิเลี้ยงทั้งปัญญาและก็ช่วยกันในการให้ทานกองการกุศล คนที่มีพรหมิหารสี่อย่างเดียวในการบันคงในพรหมิหารสี่ทุกอย่างจะมีหมดทานบารมีก็เต็มศีลบารมีก็เต็มเมฆธรบารมีก็เต็มปัญญาบารมีก็เต็มเต็มเพราะอะไรเพราะว่าคนที่มีพรหมิหานสี่มีลมจิตเยือกเย็นพรหมีหารสี่เขาพูดด้วยหน่อยหนึ่งนะ หรือว่าบางท่านไม่ได้เคยฟังเยช ง, งนพุทธิหารสี่ก็คือหนึ่งมีความรักรักในคนรักในสัตว์เสมอได้ตัวเราในการที่สองสงสารเองคนและสัตว์มีความสงสารมือนก็สงสารตัวเราเองเพอที่สามมีจิตอ่อนโยนไม่ชาริสยาใครเองใครได้ดีพรอยินดีด้วยและปฏิบัติความดีตามเขา ขอีสี่เห็นใครเพลียงพรมมีความทุกข์ไม่ซ้ำเติมจิตพร้อมจะช่วยอย่าเสมอถ้ามีโอกาสนี่ลักษณะของพรมีหานสี่มีสี่อย่างแบบนี้นี้บอกไปแล้วว่าคนที่อยาให้ทานได้ต้องมีพระมีหานสี่เมื่อพระมีหานสี่มีแล้วสิ่งก็มีได้พรามเมตตาความรักก็มีกรุณาความสงสารก็มี จิตอ่อนโยนก็มีก็เบิกขาวางเฉยก็มีเฉยเพราะอะไรยังสัตว์เดินมาพอที่จะฆ่าได้เราก็ไม่ฆ่าปล่อยไป <c oughs> จัดเป็นพยทาธิเห็นของพอที่จะขโมยได้เราก็ไม่ขโมยเบิกขาก็เฉยเห็นคนที่น่ารักพอที่จะยื้อแย่งความรักเขาได้เราก็ไม่ทําเฉย คนพอที่โกหกได้เราก็ไม่โกหกเฉยหรือว่าดื่มสุรามีไรมันล่ออยู่ข้างๆหน้าเราก็ไม่ดื่มเฉยอย่างนี้ก็ได้ถ้ามีความรักสัยอย่างหนึ่งข้าเขาไม่ได้ทรมานไม่ได้มีความรักตัยอย่างหนึ่งโคดโกงเขาไม่ได้ขโมยเขาก็ไม่ได้มันทำไม่ได้มีความรักทัยอย่างหนึ่งแย่งความรักเขาก็ไม่ได้ มีความรักที่อย่างหนึ่งก็โกโหกหมดเท็กกันไม่ได้ถูกคนรักกันจะโกหโกโหกกันยังไงนี่ลักษณะของคนที่มีพรหมิหารสี่ดีอย่างนี้จะไน้นการรักษาสินก็เป็นการรักษาไม่ยาก <c oughs> ถ้ามีพรหมิหารสี่รักสินไม่ยากเลยอยู่กับอยู่กับตัวแน่นอนดัง <c oughs> นั้นในวันก่อ น, ก, อนก่อนก็บอกว่าทุกคน ให้เราวังอบายภูมิคือหนึ่งคิดว่าชีวิตจะต้องตายไวเสมอแล้วก็ไม่คิดว่าชีวิตจะตายวันตร่งนี้คอยคิดว่าอาจจะตายวันนี้ก็ได้ยึดพระไตรสรนาคมคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่ยอมรับนับถือปฏิบัติตามคำแนะนําของท่านแล้วก็มีศีลบริสุทธิ์จิตตั้งหวังไม้ถึงนิพพาน อันนี้การอนบาญญัภูมิได้แน่อย่าลืมเนีครับแต่ศีล น, นี่ก็มีความจําเป็นต้องรักษาตามแบบฉบับของตัวเองเป็นพระต้อรักาศีลพระเป็นเลนตรัษาศีลเลนเป็นญาติโยมพุทธบริษัททรงศีลห้าบริสุทธิ์เท่านี้แน่นอนแต่ว่าถ้าขายกันหมดศีลแย่เหมือนกันอย่างท่านสิริมาเนี่ยขายกันหมบศีล ความจริงท่านก็เป็นคนใจบุญสนฐานแต่ปากเสียไปหน่อย <c oughs> ถือตัวว่าเป็นลูกเศรษฐีแล้วมั้งเลยต้องลงนรกก็เป็นหญิงภพษย์เสียฉะนั้นทุกคนถ้ า, ากไข้ฐานได้ก็รักษาสินได้อาจะพ่อสินห้าเคยญาติโยมมีเวลาศึกษาน้อยสินห้าก็มีห้าทิขาบทตามที่ทราบแล้ว หนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ลักทรัพย์สมไม่พูดปิณกรรมสี่ไม่พูดมุสา ว, วาท่้าไม่เดืมสุรามีไรและสินห้าร บ, บการดียังไงบางคนบอกว่าถ้ารักษาสิงกันหมดโลกจะจนแต่ว่าเพื่อนพิสุสมันเนนั่งไหลและยาตโยมที่กำลังนั่งฟังวันนี้แย่คอม <c oughs> ันแย่จริง ที่กำลังนั่งพังเบื้องสัตว์ว่าผลของการรักษาสินห้าเป็นปอย่างนี้แต่พระเน้นรักษาสินห้าไม่ได้นะต้องรักษาตามสิ่งของตนสินห้าข้อที่หนึ่งถ้าเราเป็นคนมีเมตตาพระณี <c oughs> จิตใจไม่โหดร้ายเราก็จะมีความสุข ยิ้มแย้มแจ่มจใสก็ถูกคนเสมอเมตตาปราณีเขา <c oughs> ช่วยงานเขาเกืักูลเขาไปเนหน้าใครก็ยกมือไหวแล้วก็ยิ้มให้อย่านี้จิตใจก็สดชื่นถ้าคนทั้งโลกดีเหมือนกันหมดอย่างนี้โลกจะมีความร่ำรวยก็ <c oughs> จะเห็นว่าหนึ่งไม่ต้องเตรียมการสงคราม ของที่ใช้ในสงครามมีอะไรบ้างเงินทองทุ่มเทกันไปโดยรักอีรานเพิ่งแค่รบเพินแค่เจ็ดวันหมดเงินไปตั้งแสนล้านถ้าว่าเราไม่ต้องรบกันก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่ต้องหมดสิ้นเปลืองเงินแบบนั้นแล้วก็ไม่ถ้าไม่มีการรบราค้าฟันกันเลยอาวุธสงครามก็ไม่ต้องเตรียมทหารก็ไม่ต้องมีตำรวจก็ไม่ต้องมี ไม่ต้องมีอะไรทั้งหมดต่างคนต่างอยู่กันแบบสบายๆเพราะไม่มีใครรบกวนกันก็ลงคิดอยู่ว่าไอ้ทรัพย์สินที่ต้องซื้ออาวุธยุโทโธปกรณ์หาการป้องกันเนี่ยมันก็ไม่ต้องจ่ายไปเงินจะเหลือชาติปีกับชาติปีละเท่าไหร่ <c oughs> ดูว่างบประมาณเกี่ยวกับคนใจร้ายในปีเสียเท่าไหร่หนึ่งเพื่อป้องกันป้องกันต้องกา ร, รการลดราค า, า, าข้าวฟัน การยึดประเทศต้ตองใช้งบประมาณทหารปีละเท่าไรและคนโทษร้ายก็ยังมีอยู่อีกต้องสร้างเรือนจำ้วค่าสร้างเรือนจำเรือนละเท่าไร่ถ้าเจ้าหน้าที่ในเรือนจำต้องจ่ายเงินเดือนเดือนละเท่าไรแล้วก็อาหารของนักโทษตัวใจวันละเท่าไรแล้วก็ต้องไปจ้างพิพากษาไอ้การต้องมีท่านนายต้องมีเจ้าหน้าที่ต่างๆ ก็ต้องใช้งบประมาณสิ้นเปลืองต้องมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่อำเภอเจ้าหน้าที่จังหวัดเป็นการควบคุมงบประมาณส่วนนี้ทั้งหมดปีมหาศาล <c oughs> เราต้องใช้เพื่อป้องกันกันคนใจร้ายหาว่าคนเราใจดีทุกคนก็ไม่ต้องใช้เงินงบนี้ทุกคนจะมีความสุขทุกคนจะนอนตาหลับ อันนี้ประโยชน์ในปัจจุบัน <c oughs> สำหรับประโยชน์ในสัมปรายภพบันดาญาโยมพุทธบริษัททุกคนที่นั่งฟังอยู่นี่ได้มโนยิธิแล้วทุกคนทุกคนเคยไปนรกมาแล้วเคยไปเห็นสวรรค์มาแล้วเคยไปเห็นพร ม, มโลกมาแล้วแล้วรู้จักอารมณ์ของนิญญานแล้ว <c oughs> และครูเขาสอน ปเพนิวาสารนิตยานคือรัชาติก็ทําได้แล้วอาทิตตังติยานเหตุการณ์อดีตก็สอนอ น, นาคาตังติยานเหตุการณ์ข้างหน้าครูก็สอนตั้งคนต่างรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนใจร้ายที่ลงนรกเพื่อขาดศินห้าข้อที่หนึ่งเพร่อาระชิ้นห้าข้อที่หนึ่งก็ทุกคนก็เห็นแล้ว ว่าลงนรกกันเป็นแถวมีความกระทุกทุกขเวทนาขนาดไหนนี่คนที่ไม่ละเมิดศีลตายไปแล้วมีผลอย่างนี้จากนารกมาเป็นเปรตจากเปรตเปรศรกายจากสุรกายเป็นสติฉานจากสติฉานมาเป็นคนอายุสั้นพลันตายบ้างลูกมากบ้างโรคภัยไข้เจ็บมากบ้างบางคนหนักที่เป็นอำมาตก็มีนี่เพราะเหตุการ์ใจร้ายทั้งนั้น ไม่ครบในสิ่งข้อที่หนึ่งถ้าเครบในสิ่งข้อที่หนึ่งเป็นคนสวยเมยุยืนนานมีความสุขโรคภัยไข้เจ็บก็เบียดเปลี่ยนน้อยบางทีก็ไม่เบียดเปลี่ยนเลย <c oughs> นี่นะครับเป็นอย่างนี้ถ้าเราสิ่งข้อที่สองสิ่งข้อที่สองถ้าเราไม่ลักไม่ขโมยไม่คดไม่โกงกันถ้าขโมยไม่มีก็ไม่ต้องมีเรือนจำ ไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่เรือนจําไม่ต้องมีพิพากษาไม่ต้องมีอายการไม่ต้องมีตำรวจไม่ต้องมีพยา บ, บ้านกำนันไม่ต้องมีนายอำเภอไม่ต้องมีผู้บริการจังหวัดเจ้าหน้าที่ทั้งหมดทุกคนแล้วก็ประมาณในในประเทศที่ต้องเสียภาษียก่อนมันก็ไม่ต้องเสียเพราะเงินทั้งหลายเหล่านั้นเป็นเงินพวกเราทำนั้นที่เราส่งกันเข้าไปแล้วก็มีจุดหนึ่ง ที่เราจะต้องคิดสมมติว่าไอ้เรื่องก็ประมาณผ่นดินเราไม่ได้พูดกันพูดเฉพาะบ้านเราถ้ามีขโมยบ้านเราก็ต้องทําแข็งแรงทําประตูหน้าต่างแข็งแรงมาสิ้นเปลืองเท่าไหร่กุญแจก็ต้องหากุญแจใส่ใส่แล้วใส่อีกหลายหายดอกบางบางบ้านก็มีดอกเดียวบางบ้านก็มีหลายดอกสมมติว่าประเทศไทยเนี่ยมีบ้านสักสิบล้านหลัง ใช้กุญแจว่า้านหลังหลังรัดอกกุญแจสิบล้านดอกนี่ราคาเท่าไหร่นี่มันก็ต้องสิ้นเปลืองไปมากถ้านึกหากว่าไม่มีการรักไม่มีการขโมยกัน <c oughs> โรคโลกก็จะมีแต่ความสุขคนก็จะมีแต่ความร่ำรวยหามานได้แถวไรกินใช้แบบส บ, บายๆไม่ต้องโกงไม่ต้องเกรงโจนคนร้ายจะ จ, จี้จะปล้น ไม่ต้องเกลีย่ยนภัยอันตรายไม่ต้องกลัวขโมยลักน้อยก็เป็นสุขลับก็เป็นสุขติ่นก็เป็นสุข <c oughs> นี่ผลของการไม่มีการลักไม่มีการปล้นไม่มีกันจี้รักษาสิ่งข้อดีสองถ้าละเมิดสิ่งข้อดีสองชาตินี้ก็ไม่มีความสุขไปไหนก็มีศัตรูรอบข้างพรเรารักแล้ขโมยเขาเข้าก็เลียดดีไม่ดีก็เข้าเรื่องจไป <c oughs> เป็นคนที่ไม่มีความสบายใจตายจากชาตินี้ลงนรกแน่ไป่เป็นเปรตอสุรกายสถิติชนันเกิดมาเป็นคนใหม่ไฟไหม้บ้านบังน้ำท่วมให้ของเสียหายบังลมพัดบานพังเสบ้างถู ก, กโยกระโจนพ้นบังที่เป็นอย่างนี้ขอญาติโยมพุทธบริษัทโปรดทราบว่าเป็นโทษก้อทินาทานในชาติก่อน ความจริงเรื่องนี้พระพุทธเจ้าก็พูดมานานแล้วก็น่าจะเข้าใจแล้วก็ยังมีคนส่วนใหญ่ไม่ยอมเข้าใจมาถามบ่อยๆก็เลยพูดให้ฟังล้าหากว่าข้อสิ่งข้อดีสามกาเมสุมิชาจย์ <c oughs> การไปละเมิดสิทธิในคนรักของคนอื่นเราก็ต้องคิดดูถ้าเขาละเมิดสิทธิในคนรักของเราเราจะมีความรู้สึกยังไง เราไม่ชอบใจเราเกลียดเขาล่ะเราไปทำอย่างนั้นเขาจะรักเราไหมเขาก็เกลียดเราก็กลายเป็นคนมีศัตรูการมีศัตรูในจิตไม่มีความสุขต้องระวังภัยเสมอถ้าไคนไม่มีไม่มีคนเจ้าชู้ประเภทนี้ก็ไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่เจ้าที่ว่ามาแล้วโคตรมันก็ลาคาญงบประมาณก็มันจ่ายชาติก็มีความเจริญ ถ้าหากว่าไม่มีคนพูดโกหกความจริงแค่มเสาว่าตัวเดียวไม่พอนะญาติโยมจะลืมเรื่องสิธิมาต้องพูดคว า, ามกันแมไม่พูดปลดด้วยไม่พูดหยาบด้วยแล้วก็ไม่พูดวาจาให้เขาแตกเล่ากันคือนินทาชาวบ้านดยแล้วก็ไม่พูดวาจาที่ไรประโยชน์ถ้าเราไม่พูดอย่างนี้วาจาสี่อย่างไม่มีสาหรับเรา เรามีเต ว, วาจาตามความเป็นจริงรู้จักเวลาในการพูดมีวาจาอ่อนหวานทันยปิปยาจา่บใช้วาจาเขาระหมัดสมานมีความรักกันมีความสา ม, มัคคีกันแทนที่แยกให้แต่แยกกันถ้า ว, วาจาใดที่ไม่เป็นประโยชน์เราไม่พูดทั้งหมดที่กล่าวมาท่านสิ้นข้อที่หนึ่งข้อที่สี่เป็นตัวมหาเสน่ห์ ถ้าพูดดีอย่างนี้พระพุทธเจ้าบอกว่ามีเสียงเป็นทิศหมายความเสียงจะแตกกระเจีกกระจงเป็นคทะแตกก็ตามเถอะแต่คนเขาก็ชอบฟังเพราะบอกพูดจริงพูดพระพูดดีเรารักกันพูดเจ้วาจาที่มีประโยชน์ไปที่ไหนก็มีแต่คนรัก เรื่องต่างๆเรื่องร้ายแค่เจ้าหน้าที่ตำรวจทหารต้องมาปราบปรามจับกลุมมันก็ไม่มีถ้าคนพูดดีกันซะหมดก็ไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่เข้ามาควบคุมไม่ต้องเรลืองวะมาณไม่มีความลําบากไม่มีความทุกข์นี่ข้อสุดท้ายถ้าเราเดื่มสุราเมรัยให้สุราเมรัยกินแล้วมันอิ่มหรือเปล่ากินแล้วก็ต้องมากินข้าวใหม่ คนเดื่มสุราเนี่ยเขาว่าทานภัยเถอะขอพูดตรงไปตรงมาก็รู้ว่าคนตั้งใจให้ตัวเองเป็นคนบ้า <c oughs> นี่พูดภาษาไทยชัดๆทั้งนี้เพราะอะไรเพราะาการใดๆที่เรามีความละอายอยู่ลักษณะที่ไม่เดื่มสุราเราไม่ทําแต่พอเดื่มสุราเข้าไปแล้วมันทําทุกอย่างอย่างที่ชาวบ้านเขาไม่ทํากัน ก็ทราบๆอยู่แล้วว่าการดื่มสุราเป็นอยังโซาเมลายเป็นยังไง <c oughs> โดยเฉพาะอย่างยิ่งพูดกันง่ายๆถ้าเราเดื่มสุราวันละสิบบาทเดือนหนึ่งเราต้องจ่ายสตังสามร้อยบาทปีหนึ่งสามร้อยเรียกว่าสามพันหกร้อยบาทเศษปีหนึ่งเกือบจะทื่อซื้อทองคำได้หนึ่งเส้น ถ้าเงินจำนวนนี้ไปเป็นกับข้าวกินที่บ้านและลูกไปโรงเรียนไม่มีประโยชน์มากกว่าหรือนี่พูดกันอย่างลุงตาพูดร <c oughs> วมความว่าประโยชน์แหงการละเมิดสินไม่มีอะไรดีซึ่งมีการตรงกันข้ามกับคนที่ไม่เดิอมสุรามีไรมีแต่คนรักมีแต่คนชอบมีท่านนายทหารผู้ใหญ่ท่านหนึ่ง ท่านจะเป็นเปผู้ทหารที่ออสเตรเลียจะบอกชื่อเลยนะเวลานี้ท่านก็มีชีวิตอยู่ท่านเป็นคนไม่เดิมสุรามีไร <c oughs> และแถมเล่นการพนันก็ไม่เป็นทั้งพ่อทั้งเมียเนะี่ยเวลานี้ท่านเป็นในบนอากาศเตอร์อาหาอากาศ แล้วก่อนที่จะไปก็มีท่านที่เคยไปเป็นพูดมาก่อนบอกว่าท่านเดิมสุราไม่เป็นเล่นพันเกลนเป็นไพ่ไม่เปลี่นเนี่ยมันคบกับ เ, เขายากกูเขายากการเข้าสังคมมันถนัดจะต้องกินเหล้าเมายาท่านก็เคยปรารบกฐามาธรรมา ก, ก็บอกว่าไม่ต้องเมื่อมีมีใครก็คบก็ช่างมันเถอะแล้วก็ทํางานตามหน้าที่ ท่าก็ทรงตัวก็ท่านดีไปก็ไม่ดื่มเหล้าไม่เร่งการพ น, นันแต่แทนที่ฝรั่งจะไม่คบกับฝรั่งคบมากรักมากเป็นคนที่ฝรั่งชอบมากมีสังคมดีมีเพื่อนชอบพอเร็ ว, เ ร, วเร็วรักกันมากผิดปกติจทั้งๆก็ออกเขาออกปากว่าทูตมีมาด้วยกันเยอะแล้วไม่ดีเท่าคนนี้เลย กำหนดก็ให้โยนสามปีท่านต้องต่ออีกสองปีเป็นห้าปีวิโยคก็คือลูกชายสองคนได้ปิญญาทั้งคู่อีกคนหนึ่งได้ปริญญาดีแล้วดูจะไปเรียนปิญญาโทหรือไงก็ไม่ทราบรวนความได้ปัญญาทั้งคู่อันนี้ถ้าพ่อดีแม่ดีพ่อไม่เดือมสุรามีไรไ <c oughs> ปอย่างนี้ตัวแท่งก็มีความสบายมีคนชอบมีคนรัก รงความไม่เปลี่ยงด้วยมีศักดิ์ศรีดีด้วยถ้าการละเมิดศีลทั้งหมดย้อนหลังไม่ทีหนึ่งขอญาติโยมพุทธบริษัทฟังนะ่าจำให้ดีนะมักจะมาพูดมาถามอยู่เสมอบุ่นก็ทาก็ทิ้งก็ทอดโบยก็สั่งบุญ <c oughs> อะไรอะไรก็ทำพระไม่ช่วยเลย ได้กวามจริงพระท่านช่วยท่านมาสองพันห้าร้อยปีเสร็จแล้วได้ยมไม่รับความช่วยเหลือของพระนี่พระจะทำยังไงพระเตือนบวันหนึ่งอย่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตยอมแก้แก้ตัวมันจนนี่หรือถ้าไม่จนมันเปลืองสตีตังนี่ฉันต้องตกปลาฉันต้องทอดแหต้องยิงนก ถ้ากระนั้นเมื่อยมฝืนคำสั่งและคำแนะนำของพระพระได้แต่บอกอย่างเดียวบังคับไม่ได้ไม่มีอำนาจลงโทษครว اة เจ้นั้นเมื่อชาติก่อนท่านทำมาอย่างนี้ชาตินี้ก็ต้องรับโทษอย่างน้อยที่สุดหนึ่งป่วยไข้ไม่สบายถ้าหนักไว้หน่อยก็อายุสั้นพลันตายถ้าสิ่งข้อที่สองหากว่าท่านละเมิดไฟไม่บ้าน แล้วก็น้ำท่วมบานพังเข้าของเสียหายลมพัดบานพังเข้าของเสียหายจนปล้นจนจีอันนี้ก็เป็นโทษก้าทินาทานอย่าไปโทษใครเราทาเขาเรามาเองก็มารับผลกรรมสนอยสิย่าทำฟรีกันยังไง <c oughs> แล้วก็สิงข้อที่สามเจ้าชวเกินไป ไม่มีเขตจำกัดเฉพาะสามีพัญญาเกิดมามีลูกมีเต้ามีคนในปกครองดือ้อด้านไม่อยู่ในอาวาตมีความความกัดกุ่มใจมีแต่ความลำบากทุกทุทรมานอยู่เสมอเพราะเราไม่สำรวมไม่สันโดษในโลกโมโทสันในกามารมณ์ให้โทษใครเขาละ่ะ ถ้าพูดไม่ดีพูดปดบ้างพูดหยาบบ้างพูดแย่ขยุยแยงเขาแตกกันบ้างพูดวาจาเหลวไหลบ้างเกิดมาชาตินี้พูดจริงพูดดีไม่มีใครอยากฟังพูดความเป็นจริงไม่มีใครเขาเชื่ออันนี้มันโทษที่พูดไม่ดีมันไม่ใช่ก่อนแล้วก็ข้อสุดท้ายสุราเดมีไรตกนรกแล้วไม่พอใจสินห้าข้อผิดข้อไหนตกนรกข้อนั้น ทุกขอเกิดไว้ชาตินี้อย่างดีที่สุดปวดหัวไม่หายเป็น โ, โรคปวดหัวบ่อยๆนี่โทษสุราบางๆ <c oughs> นี่ว่าสุราบางๆถ้าสุราหนาปักางกระลังก็เป็นโรคสนประสาทถ้าสุราหนาจัดเต็มตราเป็นโรคบ้าเลย นี่โทษของการดื่มสุราเมลัยเป็นอย่างนี้เท่าที่พูดอย่างนี้นะเห็นว่าเพื่อนพิสูจน์สมณเณรทุกคนทุกองค์ที่นั่งฟังอยู่เวลานี้ทุกคนได้มโนยิทธิแล้วท่องเที่ยวสวรรค์ท่องเที่ยวพรหมโลกท่องเที่ยวนรกที่ไหนได้ที่ไหนกันมาแล้วผ้พูดตามนี้ผมพูดตามที่พระเจ้าทรงตรัส หากว่าท่านไม่มั่นใจตั้งใจไปเลยว่าคนที่ฆ่าสัตว์ชีวิตฆ่าบางไม่ฆ่าบางเขาตกนรกกุมไหนไปดูได้เลยแต่ฆ่าเป็นอจินกรรมอย่างแม่บ้านทำปลาฆ่าทุกวันวันตัวสองตัวไปอจิเป็นอจินกรรมอย่างนี้ลงเอเวจีหมานะรกแล้ไปไหนบ้างก็ติดตามก็แล้วกัน อย่างคนที่ลักที่ขโมยเขาก็ดีสินห้าแล้วเมื่อขอดายเขาหนึ่งอดีไปตามดูได้เลยไปตามดูได้ที่ผมพูดเดี๋ยผมกล้าท้าพวกท่านพร า, าท่านสามาพิสูจน์ได้กลวงความมั่นสินของฆรัวาสขวัญดาญายอมพุทธบริษัทจงอย่าคิดว่ามันเป็นโทษเล็กน้อยความจริงทําหน่อยเดียวใหญ่มาก ดูตัวอย่างท่านสิฎิมานั่นไม่ได้ละเมิดศีลละเมิดกรรมบทสิบใช้วาจาหยาบไปกระทกกระทั่งพระอาหารหันเข้าท่านอาจจะไม่รู้พระอาหารหันก็ได้น้ำหมากอันนั้นอาจจะไม่รู้ว่าใครบุ่นก็ได้เดียว่ากล่าวว่าอีหญิงแพทยสยาคนไหนนะว่นน้ำหมักทํำให้เรา อ, องหมากมาเปื้อนผ้าเราเท่านี้ ตายแล้วต้องเป็นโสเพนีกี่ชาติแต่ในชาติสุดท้ายรู้เสือบุญของทั้งกันดีฟังเทศจองสมเด็จพระจินาสีจบเดียวเป็นประสดาบัน <c oughs> และก่อนที่เป็นประสดาบันก็ต้องยำแย่เพราจากการเป็นโสเพนีนี่แหละบรรดา ญ, ญาติโยมพุตตบริษัทุกทานและเพื่อนปิสุสมณเนรเมื่อการบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนา อย่าประมาทอย่าท่านงงตนว่าดีจำเรืมบาลีที่พระเจ้าทรงเตือนว่าอัตนาโจทยาตานังจงกล่าวโทษโจยความผิดตนเองว่าเสมอมองดูก่อนอยนหลับทบทวนว่าตั้งแต่ชาเช้าตรู่ถึงเวลานี้เรามีความดีจุดไหนบ้างเราพลาดพรั้งจากความดีจุดไหนบ้าง ตั้งใจว่าวันต่อไปจะไม่ยอมไม่พลาดลังอีกแต่ไม่ใหม่ก็อาจะพลาดไปได้แล้วพยายามยับยั้งเรื่อยๆไปในที่สุดก็อารมณ์ชินมันจะเกิดอารมณ์ชินในศีลานุสติกรรมฐานเรียกกันพูดสรงชาญในศีลานุสติกรรมฐานทรงศีลจงทั้งเป็นปกติเราก็มีแต่ความสุขแต่ว่าบัรดา ญ, ญาตโยมพุทธบริษัทและเพื่อนพระสงฆ์รรมเนีนที่รัก ศีลานุติกรรมฐานหรือว่าศีลระบารมียังไม่จบเวลาเขาบอกให้พักก็ต้องรอพักแต่เพียงเท่านี้นะวันพรุ่งนี้แลาเมื่อไรมีเวลาว่างคุยกันใหม่ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลยงมีเดียบันด า, า, นาท่านพุทธศาสนิ ก, กนชนและเพื่อนบิณฑษ์สมันเนรที่รักทุกท่านสวัสดี